หลวงพ่อเดิมยังให้คาถาแก่ท่านทุกวันวันละห้าหน้าและบังคับให้ท่องให้ได้พิกสุหนุม่มัวกังวลกับเรื่องคาถาจนลืมเรื่องศึกไปชั่วคราวคืนวันหนึ่งขณะที่ทําหน้าที่นวดให้สมภารวัดหนองโพพระหนุ่มก็ถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อให้คาถาผมตั้งมากมายผมทั้งจดทั้งจําจนแทบว่าจะจําไม่หวาดไม่ไหว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 ให้ใจมันมั่นซึ่งภาวะจิตเช่นเนี้เรียกว่าเอกักคตาหรือจิตที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งใจมั่นคือความตั้งใจถ้าตั้งใจก็ต้องสําเร็จหมดไม่ว่าอะไรไม่ว่าทําอะไรทีนี้การทําจิตให้เข้มแข็งหรือว่าให้ใจมัน่นต้องมีองค์ภาวนาซึ่งเรียกว่าคาถาต้องภาวนากระทั่งจิตตั้งมั่นเป็นอัปปนาสมาธิ เมื่อจิตถึงขั้นอัปนาสมาธิแล้วไม่จำเป็นต้องว่าคาถาเลยอัปนาสมาธิเป็นอย่างไรครับผู้อ่อนวัยกว่าถามอีกหมายถึงสมาธิชั้นสูงสุดซึ่งมีในฌานทั้งหลายสมาธิมีสามระดับได้แก่ขณิกะสมาธิก็หมายถึงสมาธิชั่วขณะอุปจารสมาธิ เป็นสมาธิจวนแน่วแน่ส่วนระดับสูงสุดเขาเรียกว่าอัปปนาสมาธิแปลว่าสมาธิแน่วแน่เมื่อถึงขั้นนี้จิตจะเป็นเอกกัคตาตั้งมั่นแล้วจะทำอะไรก็ได้จิตที่ตั้งมั่นจะมีพลังมหาศาลมีอนุภาพมากสามารถทำในสิ่งที่คนปกติธรรมดานั้นทำไม่ได้ ถ้าคุณอยากรู้ว่าเพียงดีของชั้นครั้งหรือไม่ก็ขอให้ท่องคาถาต่อไปท่องจนจิตเป็นเอกขต า, าแล้วคุณจะรู้เองภิกษุสูงวัยอธิบายกระจ่างชัดที่หลวงพ่อเล่ามาเนี้ยทำให้ผมนึกถึงตอนเป็นเด็กสซนอิกรสีคนอาวุโสพูดดักคอครับสซนที่สุดในตำบลม่วงหมู พระหนุ่มยอมรับอย่างภาคภูมิคุณไปสนอะไรอีกล่ะเล่าให้ฉันฟังบ้างสิท่านชอบฟังเรื่องราวของภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นดูเขามีเรื่องสนุกตื่นเต้นมาเล่าให้ท่านฟังอยู่บ่อยๆพระเจริญเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะไม่เหมือนพระอุ้ยซึ่งมักจะคุยโวโอ้วดและก็ชอบเรื่องโกหก สมภารวัดหนองโพ ร, รู้สึกอย่างนั้นเรื่องเป็นอย่างนี้ครับภิสษุนหนุ่มตั้งต้นเล่าที่วัดใหม่ซึ่งอยู่แถวแถวบ้านผมมีเนนประสาทไม่ค่อยจะดีอยู่รูปหนึ่งชื่อเนนดิง่งคนในระแวกนั้นเ็ารู้กันว่าเนรดิ่งเป็นโรคประสาทอ่อนๆวันหนึ่งหลวงตาตายซึ่งอยู่อีกวัดหนึ่งได้มาหลอกเนรดิ่งว่าท่านมีคาถาปลุกพระให้นั่งได้ เน้นดิงก็เรียนคาถาล้นตาตายก็บอกว่าให้ท่องนะโมพุทธายะเน้นก็ไปหาพระพุทธรูปนั่งมาองคหนึง่งจับให้นอนแล้วก็นั่งบริกรรมนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะทําอย่างนี้ทั้งวันพอฉันเสร็จก็นั่งบริกรรมนะโมพุทธายะ นั่งหลับตาบริการนะครับนานๆก็จะเลืมตาดูสักครั้งว่าพระลุกขึ้นนั่งหรือยังวันนึงผมไปเห็นข้าวก็เลยถามเนนว่าภาวนาทำไมเนนแกพูดกับผมว่ามึงไม่รู้เรื่องกูไปเรียนมาจากหลวงตาตายท่านบอกนโมพุทธายะนโมพุทธายะปลุกพระให้ลุกถ้าทำได้ ทำอะไรก็ได้หมดแกพูดอย่างเนี้ยผมก็ไม่เชื่อก็เลยหาวิธีแกล้งแกคุณไปแกล้งอะไรเนรหรือถามอย่างนึกเอ็นดูผมก็แอบปีนเข้าทางหน้าต่างจับพระพุทธรูปให้นั่งแล้วก็ปีนออกมาพยายามไม่ให้มีเสียงพอเนลืมตาไม่เห็นพระนั่งก็ดีใจดีใจใหญ่เลยเรียกใครต่อใครมาดู บอกพระนั่งแล้วพระนั่งแล้วทั้งพระทั้งเนนต่างก็พากันมาดูแล้วก็เชื่อสนิทว่าพระนั่งได้จริงๆมีผมคนเดียวที่รู้ว่าที่พระนั่งได้เพราะฝีมือของผมท่านเล่าแล้วก็อมยิ้มแม้คุณนี่ฉ่างสนเสจจริงๆภิษุิชาราว่าพลางหัวเราะหึ่ครับ ตกลงว่าเนนดีใจจนไม่ยอมฉันเพลงสมภารต้องมาดูคิดว่าแกอาพาธพอเห็นแกนั่งขัดสมาธิมีพระพุทธรูปวางอยู่เบื้องหน้าสมภารก็ถามเนนวันนี้ทําไมไม่ฉันข้าวเนนเ ก, ก็ชี้ให้ดูพระพุทธรูปปากก็ว่าพระนั่งแล้วพระนั่งแล้วแกชี้พระพุทธรูปที่นั่งอยู่ตรงหน้า ท่านสมผานไม่เชื่อจึงสั่งว่าไนไอเนนมึงลองทำให้กูดูสิเนนแกก็จับพระพุทธรูปนั่งให้นอนลงแล้วก็หลับตาบริกรรมนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะหลวงพ่อทราบไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นพระหนุ่มถามพระอุโสฉันจะไปรู้ได้ยังไงในเมื่อฉันไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วย คุณนิถามพิกนหลวงพ่อเดิมต่อว่าปรากฏว่าพระนั่งได้ครับผมเห็นกับตาเลยไม่รู้่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นตอนนั่งได้ครั้งแรกผมไม่แปลกใจเพราะผมจับให้นั่งเอง แต่พอนั่งครั้งที่สองผมก็สงสัยมากจึงเข้าใจตามคนอื่นๆว่าคาถาเนนครั้งเพิ่งจะมาเข้าใจอย่างท่องแท้เมื่อฟังหลวงพ่อเล่านี่เองจบหรือยังเรื่องที่คุณเล่าเนี่ยนะ่ะหลวงพ่อเดิมปิดปากหาายังไม่จบครับแต่ถ้าหลวงพ่อง่วงจะนอนหลับก่อนก็ได้ตื่นแล้วผมค่อยเล่าต่อภิกษุชารา จึงหลับอย่างว่าง่ายถ้าหลับไปหนึ่งชั่วโมงก็ตื่นพระเจริญมั่นใจว่าท่านต้องสั่งจิตได้ว่าเมื่อใดหลับเมื่อใดตื่นเล่าต่อสิฉันกาลังจะฟังท่านบอกพระเจริญทันทีที่ลืมตาเมื่อตกี้ผมเล่าถึงตอนไหนแล้วครับภิกษุหนุ่มต้องการทดสอบความจำของภิกษุวัยร้อยสามปี ถึงตอนพระพุทธรูปนั่งเองโดยไม่ต้องมีเด็กซนๆไปจับให้ลุกขึ้นท่านพูดเสียสีพระนุ่มครับคนเขาเล่าลือกันไปทั่วแล้วก็พากันมาขอให้เนนทำให้ดูเนนก็หลับตาภาวนานะโมพุทธทายะนะโมพุทธทายะพระก็นั่งทันทีวันหนึ่งมหาทองก็มาขอดู มหาทองแกเคยบวชที่วัดตึกกราชาได้ป ร, ริยนธรรมสี่ประโยคภายหลังก็ศึกออกมาเป็นคฤหาดตั้งบ้านเรือนอยู่ข้างวัดตึกราชานั่นเองมหาทองมาถึงก็ถามเนนดิงเนนว่ายังไงพระถึงได้นั่งได้เนนแกก็บอกว่านาโมพุทธทายะมหาทองบอกไม่ได้ต้องว่านาโมพุทธทายะเชื่อผมสิ ผมมาหาเปรี่ยนสีประโยคชนานโมพุทธายะนะั่มีที่ไหนกันละ่ะเน่นดิ่งแกก็เปลี่ยนมาว่านโมพุทธายะนโมพุทธายะว่าอยู่เดือนหนึ่งพระก็ไม่นั่งสักทีฟังหลวงพ่อพูดมาตะกี้ผมเลยเข้าใจเดี๋ยวนี้เองว่าคาถาไม่ขลังความขลังอยู่ที่จิตตั้งมั่นพอใจรวนเรพระก็ไม่นั่ง อย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องคุณเป็นคนเข้าใจอะไรง่ายดีเพราะอย่างนี้แหละฉันถึงอยากจะถ่ายทอดวิชาให้ฉันไม่เคยให้ใครเลยนะคุณไปถามดูว่าคนใดในวัดมีใครเคยได้คาถาอาคมจากฉันบ้างไหมถึงเนนเวาซึ่งเป็นเลนฉันก็ยังไม่ให้ เพราะมันไม่มีประโยชน์สำหรับเขาแต่สำหรับคุณน่ะมีประโยชน์แน่นอนผมมองไม่เห็นเลยครับว่าจะมีประโยชน์อย่างไรเรียนตามตรงว่าผมมารับใช้หลวงพ่อถึงสองเดือนเนี่ยใช่ว่าผมจะเอาวิชาความรู้อะไรผมต้องการมาศึกเท่านั้นพรุ่งนี้เช้าหลวงพ่อทำพิธีศึกให้ผมด้วยนะครับผมคิดว่าศึกดีกว่า นี่ก็เลยพันษามาเกือบสามเดือนแล้วให้ผมสึกเอนะครับผู้มาจากต่างถิน่นทั้งขอร้องและวิงวอนเออสึกดีหลวงพ่อเดิมยังพูดเหมือนเดิมครับสึกดีแน่นอนพรุ่งนี้ผมสึกได้ใช่ไหมครับผมไม่อยากได้ยินหลวงพ่อพูดซ้ำๆซักๆว่าวันนี้ยังไม่มีเริกต้องรอพรุ่งนี้ พรุ่งนี้หลวงพ่ออย่าพูดแบบนี้อีกนะครับผมสึกแน่นะครับเออสึกดีหลวงพ่อเดิมตอบเหมือนเดิมอีกพร ะ, จะเจริญรู้สึกอ่อนอกอ่อนใจสมภารวัดหนองโพพูดเช่นนี้มานับสิบครั้งแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ยอมทำพิธีสึกให้ท่านอย่างไรก็ตามพรุ่งนี้เช้าท่านจะต้องขอสึกให้ได้ ไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นทันทีที่ฉันพัฒหารเช้าเสร็จภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นก็รีบรุดไปที่กุฏิสมพานวัดหนองโพกราบเบญจางขับประดิษฐ์สามครั้งตามธรรมเนียมแล้วก็เอ่ยวาจาหลวงพ่อครับได้เวลาแล้วศึกเถอะท่านหิวกระเป๋าบรรจุเสื้อผ้ากระวาดมาด้วยฉันจะศึกไปทำไมแกปู น, นี้แล้ว ภิกษุชาราตั้งใจยั่วไม่ใช่สึกให้ผมหลวงพ่อจะสึกให้ผมไงละ่ะพูดเมื่อไรเมื่อคืนนี้หลวงพ่อยังบอกเลยว่าเออสึกดีข้าพูดกับแกอย่างนั้นเมื่อไรข้าว่าศึกษาเล่าเรียนดีต่างหากภิกษุวัยร้อยสามหาทางออกจนได้การเปลี่ยนมาใช้สรพนาม ฆ่าแกแทนฉันคุณก็เพื่อแสดงความสนิทสนมทาว่าภิกษุหนุ่มกลับไม่ฟังเสียงพูดโกรธว่าอะไรศึกก็คือศึกมนุ่งกางเกงใส่ชุดคารวาสพูดพร้อมกับหยิบเสื้อกางเกงออกมาประกอบคำพูดเลิกศึกยังไม่มีเลยคุณภิกษุชราพูดเสียงปกติด้วยรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งกาลังโกรธ อ้าวก็กราบกับผมบอกวันเดือนปีเกิดลงพ่อไปแล้วไม่มีเรื่อยยังไงคนกำลังโกรธไม่ยอมลดละพระเจริญใจเย็นๆอย่าใจร้อนอย่าโกรธความโกรธเนี่ยมันไม่เคยให้คุณกับใครเลยนะมีแต่ให้โทษเชื่อฉันสิผู้อาวุโสกว่าพยายามเอาน้ำเย็นเข้าลูกพระหนุ่มค่อยคลายความโกรธลง รู้ว่าตนล่วงเกินผู้สูงวัยกว่าจึงก้มลงกราบขอขมาลาโทษแล้วก็พูดเสียงอ่อนลงว่าผมขอลุกแก่โทษที่แสดงปฏิกิริยาที่ไม่สมควรกับหลวงพ่อโปรดยกโทษให้ผมด้วยแต่ผมก็ต้องการศึกครับศึกวันนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ข้อนั้นฉันรู้ฉันรู้ตั้งแต่เห็นคุณวันแรกนั่นแล้ว ว่าคุณดันดนมาถึงที่นี่ก็เพื่อจะมาศึกเท่านั้นแต่ฉันขอร้องเธอนะขอร้องให้คุณอยู่ต่อไปให้ครบสามเดือนแล้วฉันจะบอกอะไรให้สักอย่างหนึง่งฉันยังไม่เคยบอกกับใครคุณเป็นคนแรกที่จะรู้นี่ผมต้องอยู่ต่อไปอีกเกือบเดือนเจอเหรอครับไม่ไหวกระมังหลวงพ่อไว้สิ ก็อยู่มาได้ตั้งสองเดือนกว่าทำไมอีกไม่ถึงเดือนจะอยู่ต่อไปไม่ได้เชื่อสั้นเถอะอย่าหาว่าฉันโนง่เหนี่ยวคุณเอาไว้ใช้เลยแต่ก็ไม่อยากให้ศึกตอนนี้เพราะเห็นว่าเป็นผลดีกับคุณในายพายภาคนาที่คุณมาปฏิบัติรับใช้บีบนวดให้ทุกคืนฉันก็ขอบใจขอให้เชื่อมั่นสักครั้ง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 ถึงที่พักท่านเหวี่ยงกระเป๋าเสียงดังโครมเป็นการระบายโทสะรู้สึกงุดหงิดงุนง่านเห็นอะไรขวางหูขวางตาไปหมดและก่อนที่จะคิดทำอะไรต่อไปความง่วงเหงาหานอนก็เข้ามาครอบงาจิตเหมือนพายุร้ายที่พัดกระหน่าลงมาประทะร่างทำให้ท่านไม่อาจทรงตัวนั่งอยู่ได้ท่านสุดกายลงนอนแผ่ลากลางห้อง แล้วเสียงประหลาดก็ดังก้องขึ้นใกล้หูพระคุณเจ้าจะสึกหนะพุทธคุณได้หรือยังคราวนี้ไม่พูดยาวเหมือนคราวก่อนทว่ากลับให้พระนมต้องคิดหนะักท่านไม่โต้แยง้งเหมือนที่แล้วแล้วมาแต่กรุ่นคิดทบทวนว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างและจึงตกลงใจว่าจะต้องค้นหาเหตุผลต้นปลายให้จงได้ คิดได้ดังนี้ความง่วงเหงาหานอนก็พลันหายไปเกิดความกระปลี้กระเป่าขึ้นมาแทนที่ท่านเริ่มทำตามที่คิดในกุฏิที่ท่านพักมีหนังสือสวดมนต์เจ็ดตำนานวางอยู่ตรงมุมห้องคงเป็นพระรูปใดรูปหนึ่งทิ้งเอาไว้ตอนที่ศึกออกไปท่านหยิบหนังสือสวดมนต์ขึ้นมาเปิดรงพุทธคุณอ่านออกเสียงดังตั้งอกตั้งใจทุกตัวอักษร อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุต t ร r ปุริสัทธมรสสารถติสัทธาเทวะมนุสสานังพุโทโธภควาติหากท่องไม่ได้มาก่อนท่านคงอ่านไม่ออกเพราะภาษาบาลีอ่านยากท่านอ่านและท่องกลับไปกลับมาหลายเที่ยวอย่างพินิจพิจารณา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 รอเรืออ่านว่าอะระจ้จานรอเรือนอเณรอ่านว่าจารณะเป็นต้นเช่นออ อ, อ่างรอเรือหอหีบมีนรึกหิตอยู่ตรงหอยหีบข้างบนอ่านว่าอรหังสอเสือรอเรือนอเนเณรมีนรึกะิตอยู่ตรงนอเนเณรข้างบน อ่านว่าสารนังเป็นต้นข้อสเครื่องหมายพินทุอยู่ใต้พยัญชนะตัวใดยพยัญชนะตัวนั้นทำหน้าที่เป็นตัวสะกดเช่นสเสือมอมาเครื่องหมายพินทุอยู่ใต้มอมาอ่านว่าสํมตัวอย่างเช่นสัมมาสัมพุทโธอนุตตะโรปุริสธรรมมาสารติเป็นต้น ตั้งกฎสามข้อนี้แล้วท่านจึงนำไปใช้กับธรรมคุณและสังคคุณรู้สึกเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ด้วยตนเองท่านหัดอ่านหัดเขียนพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณจนคล่องจึงกระทั่งถึงเวลาฉันเพนพรุ่งนี้หลวงพ่อเดิมคงศึกให้เราแน่เพราะพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณได้แล้ว พิสูจ น, น์หนุนนึกกระยิมยิ้มย่อง